พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าความตายไม่ถามว่าเราทำงานเสร็จหรือยัง วันนี้พวกคูบาบอกว่าจะออกสถานีไว้หลวงพอ่อออย่างๆเพ่อหลวงพ่อมีธุระรีบวันนี้วันนี้ไม่ไม่ออกแล้วนะหลวงพ่อจะรีบไปธุระนะอ่านโู้นี่มันใครคูบาองไหนยื่นป้ายไม่ให้หลวงพ่อนี่วะฟังๆโู่นนะฟังความเซอ้์ของคูบาวันอังคารที่ยี่สิบเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2,558 แรม15ค่่เดือน10ปีมะแมพระทั้งหมด51รูปนาค2คนพระลงมาฉัน42งดฉัน9สุเจ้าว่าถูกต้องบอขนาดพิษขอหนึ่งขอความเท่านี้แหละมันพิษนี่ขออื่นก็แลวมันพิษไปมัดหมดไปบเชื่อถืออะไรหมดไปมันจะเป็นแลมชิบหคำอะจังไรมือนี้เป็นบ่นละ่ะ แม่นไพเป็นผู้เขียนวะพน่ะแรมสิบห้าคำคนเดีวบันคืนแปดคำก็เราก็เดียไปหาแรมสิบห้าคำน่ต่อไปก่อนที่จะเขียนอะไรต้องดูให้ดีต้องรอบครอบนี่แหละหลวงพ่อแนะนำพวกเด็กนักเรียนที่ไปสอบ สอบข้อเขียนสอบมหาวิทยาลัยสอบอะไรก็ตามเขาว่าสอบไปไ ป, ไปว่าจะเลื่อนขั้นตัวเองก่อนที่จะสอบต้องดูหัวหนังสือตัวเองให้ชัดเจน เ, เราสอบที่ไหนอะไรเขาขายเขาต้องอ่านหัวหนังสือวันที่เท่าไรอะไรเท่าไรเด่งหัวข้อหนังสือไอหัวข้อหัวกระดาษไม่ใช่ปูปับมากระดไม่มีวันที่บางไม่ลง พอสอบังเพนั้นสุดเขาตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติพอเข้าไปมันไม่ครบแสดมันเตะปักออกไปเลยตัวเองก็เลยฝ่าวทั้งปีเลยบ้านเรียนมาพอแรงความเชื่อถือไม่มีเพราะนั้นเวลาก่อนที่จะเข้าไปสอบจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ไหนก็ตามต้องหัวกระดาษต้องดูให้ดีวันที่เท่าไหร่เขาให้เขียนอะไร ชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจนเอ่ยซะก่อนอันดับแรกฮะถ้าเอาออกมขาดตัวหนึ่งมันขาดไปหมดเลยนะคู่บาเนี่อวันที่ยี่สิบจะจริงหรือเปล่ปาไปตวรวจดูซิว่ามันจริงหรือเปล่ปาเออตุลาอาจจะใช่อยู่ห้าแปดก็ใช่อยู่แต่มันผิดสิบห้าค่ำเนี่ยเดือนสิบจะมีจริงหรือเปล่ปานี่วาวะพระทั้งหมด 51ิบเอจริงแล้วเปล่านะพรอิศุคบอุศที่เนี่ยพระสี่สิบแปดอ้สี่สิบสองนาคสองพระงดฉันเก้านี่แหละศรัทธาญาติโยมลูกหลานทำอะไรต้องรอบคอบแต่หลวงพ่อไม่ไดเ้เน้นความรอบคอบของพระท่านเองเอขาดตกบกพร่องจุดใดจุดหนึ่ง ความน่าเชื่อถือในกระดาษแผนนี้เนี่ยมันน่าคิดเลยไอ้จริงหรือเปล่าเพราะจุดใหญ่บอกวันเวลาผิดเนี่ยมันต้องได้ตรวจสอบกันใหม่แต่ถ้าว่ามันถูกต้องทั้งหมดแล้วเนี่อจุดใหญ่ถูกแล้วมันก็มั่นใจ วันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันแล้วนะจะได้รีบออกแต่ตามไม่จริงท่านกอ น, นัดเวลาถึงโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์อุดรให้ถึง10นาฬิกา หลวงพ่อก็บอกว่าอ้วัดหลวงพ่ออยู่ไกลแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าถึงยังไงก็ให้ถึงประมาณเกือบเที่ยงช่วงเที่ยงหลวงพ่อเอาขนาดนั้นได้เพราะว่าวันนี้พระเทพจะเสด็จที่อุดรแล้วก็จะได้มอบห้อง CICU เออ CICU เศัพท์นี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้ง แต่ตมามไม่จริงเราได้ยินแต่ห้อง ICU นะอันนี้ซ i c IC u เป็นตัวหนังสือหลวงปู่วัดโพธิสมพรท่านเริ่มเร้วกว่าเป็นความประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหมอบัณฑิตที่ท่านมรณาภาพอย่างพวกเราได้ยินนั่นแหละเป็นหัวเร็วหัวเร็ ว, ห, ว, วหัวแรง แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานเงินมาช่วยอีกถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะหลวงพ่อได้ไปร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับงานเนี่ยมาช่วยห้องนี้หละห้อง CICU เนี่ย25ล้านกว่าบาทแต่ห้องนี้ใช้เงินประมาณสัก50กว่าล้านนะสำหรับให้ทันสมัยที่สุดของโรงพยาบาล ในทางอีสานเหนือของมันเทียบเท่ากับโรงพยาบากลกรุงเทพห้องห้องไม่กี่ห้องน่ยสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีเครื่องตรวจอะไรเกี่ยวกับฉุกเฉินประวัติทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันนี้อันนี้คือห้องเนี่ยที่หลงพหลวงพ่อจะได้พระเทพจะได้มาเปิด ใช้งานวันนี้แหละเพราะนะั้นหลวงพ่อก็คงจะได้เข้าไปเขาในมนพระทั้งหมดที่เขาไปนั่งเป็นไม่ไม่ใช่นั่งสวดอะไรนะใครๆว่านั่งเป็นเจ้าภาพเพราะหลวงพ่อเองก็ได้เป็นหาทุนช่วยคู่บาหมอมันเกินในสมัยนะั้นหมดไปหลายแสนนะวัดเรานะพอไปที่ไร ห, หลวงพ่อก็ได้ไปประกาศหาจัตไาญาติโยมเมืองอุดร ช่วยๆกันออกทุนพอว่างงานนี้เป็นงานใหญ่เพราะจะต้องได้ใช้เงินมากจะให้เจาห้องพอสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เอาไว้ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าว่าผู้ใดมีความจำเป็นหรือว่าป่วยเจ็บป่วยกระทนหันมีความป่วยก็ต้องได้ใช้ใช้ร่วมกันเพราะนั้นไม่ว่าคนรวยไม่ว่าคนจน คนรวยจะมองเฉยก็ไม่ได้นะอีกสักวันหนึ่งอาจจะตัวเองอาจจะได้เข้าก็ได้เพราะนั้นห้องตัวนี้หลวงพ่อก็ได้เข้ามีส่วนร่วมเข้าไปช่วยในช่วงพระหมอที่ท่านดําเนินงานอยู่เพราะนั้นวันนี้หลวงพอ่อเขาก็ได้มวลหลวงพ่อองค์หนึ่งทางโรงพยาบาลทางคณะสงฆ์คือเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธเจ้าคณะจังหวัดวัดโพธิสมพรธรรมยุทธ องหนึงแล้วก็หลวงพ่อองคหนึ่งกับหลวงพ่อนิพนองหนึ่งและก็พ่อของพระกุบะหมอเนี่ยองหนึ่งที่นั่งจะเข้าไปนั่งให้เขาว่าเป็นประธานรวาเป็นฝ่ายสงฆ์ที่ได้มอบที่ได้รับรู้รับทราบได้มีร่วมแรงกันร่วมเสียสละทุนทะครับเพื่อสร้าง อ๋อห้องนี่แหละห้อง CICU เนี่ยนะบัรนี้ก็เสร็จแล้วแต่ล้งปู่ใหญ่คงมาไม่ได้อายุท่านร้อยสีปีแล้วนลูกหลานนร้อยสีปีกว่าละท่านอยู่ในโรงพยาบาลคงจะมาไม่ได้ครัก็ยังไม่แน่ือนกานนะถ้าว่าสุขภาพของท่านพอไหวลูกหลานก็คงจะเอามามาร่วมงานด้วยแต่นั้นตรงพ่อไปลนวะจึงจะรู้ได้ เนี่ยอันนี้ก็คือการซ่อมเครื่องโรงพยาบาลแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็รีบพอฉันก็รีบออกเหมือนกันนะลูกหลานไปอำเภอรโรงพยาบาลอำเภอสุวรรณนครูหาจังหวัดนกบัวลําพูพอฉันเสร็จแล้วกน็นั่งรถข้ามไปสามอำเภอเหมือนกันนะลูกหลานนะ อำเภอนายูงแล้วก็ไปอำเภอน้ำโสมข้ามอำเภอน้ำโสมไปอีกไปสุวรณรณภูหาสุวรรณครูหาเป็นจังหวัดน้องบัวลำพูแล้วก็มีพี่น้องประชาชนรวมกันทอดผ้า ป, ป่า พ, พร้อมกับคณะสงฆ์หาทุนเพื่อซื้อรถแอมบอร์แนซ์้ือรถพยาบาลพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ในรถคันนั้นเพราะโรงพยาบาล ส่วรรูหามีรถตู้อยู่สี่คันคันหนึ่งไอ้สองคันใช้มาเกือบยี่สปีเราอรู้สึกว่าชดชมเต็มที่ถึงจะปรับปรุงยังไงก็บางทีก็ไปตายครึ่งทางไม่รู้กี่ครั้งอีกสองคั น, นก็ประมาณเกือบสิปีแล้ว อ, อยากจะได้คันอีกคันหนึ่ง เ, เพื่อมาช่วยงานนีเ้เพราะว่าโรงพยาบาล คนทั้งหมดในเขตอำเภอสุวรรณครูหาเนี่ยลุงพ่อจำไม่ผิดเมื่อวานเขาบอกว่าประมาณเกือบหกแสนคนนะอำเภอเนี่ยประชากรในเขตอำเภอสุวรรณครูหาเนี่ยเกือบหกแสนคนแต่นี่ก็มีรถอยู่สามสีคันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอาการหนักทางโรงพยาบาลอำเภอรับไม่ไหวอาการจะต้องส่งส่งไปที่ไหนบ้างลุงพ่อก็ถาม ส่งไปสุวรรณส่งไปน้องบัวลํำพูโรงพยาบาล น, น้องบัวลํำพูแล้วก็ส่งเข้ามาอุดรแล้วก็ส่งไยจังหวัดเลยเจังหวัดเลยก็ส่งไปเหมือนกันนะครับแต่งคงจะนานมากส่งไปศรีนครินทร์ก็มีอยู่บ้าง อ, อันนี้ก็คื อ, อที่รถมีความจําเป็นเมื่อวานผงพ่อก็เลยได้ไปไปแสดงธรรม พอแสดงธรรมจบแล้วเขาถวายปัจจัยหลวงพ่อกันเทศหนึ่ง0 0 0นบาทหลวงพ่อก็ได้เอาจตุ ป, ปัจจัยทางในวัดไปอีกรวมสมทบสองห0 0 0บาทเมื 1, ่อวานกัหลวงพ่อก็เลยร่วมเข้าไปส0 0 0 0ื่นเมื่อวานแต่เอกไปน้อยอยู่คิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะช่วยๆกันมากไปดูๆซะก่อนพอหลวงพ่อไม่เคยไปพอถามพอจบแล้วเขาก็บอกว่าได้เงินประมาณล้าน ล้านสองแสนกว่าครับหลวงพ่อโอ้หยังขาดมากอยู่นะพอรถคันนี้อย่างน้อย2อล้านแปดล้านเก้านะ อ, อาจจะให้สมบูรณ์จริงๆก็ประมาณสองล้านกว่าๆต้นๆหลวงพ่อเอเอาถ้า ม, ามันไม่พอคราวนี่ก็เก็บไว้ก่อนออต่อไปยังค่อยว่ากันอีกหารอบที่สองที่สามเพราะข่าวนี้มันได้ขนาดนี้ก็นับว่ามากพอสมควรอยู่ พอเสร็จหลวงพอ่อเลยออกไปทำธุระเมื่อวานนี้นอันนี้พูดให้ลูกหลานคณะรัตตาาญาติโยมได้ฟังว่าภาระธุระของหลวงพ่อเนี่ยที่แต่ละวันหลวงพ่อก็ได้นั่นสรุปแล้วก็คืองานสาธารณะประโยชน์จะมากมากทีเดียวแต่ถึงอย่างไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนศ ร, รัท ธ, ธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่เป็นคณะสิธิ์ของพวกเรา งานวัดของเราก็ใช่ย่อยนะเมื่อวันที่สิบปดลุงพ่อลงจากเครื่องมาลุงพ่อก็ได้ไปชุมหารือเกี่ยวกับางานกระถิ่นของพวกเราวันที่แปดพฤศจิกายนห้าแปดเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบนะสิบกว่าวันเองจากนี้ไปไม่ไกลไม่ไม่นานนะลูกหลานนะแล้วก็ไปชุมกันวันนั้นก็รู้สึกว่าดีไหมดีมากพราะอะไรพวกเราจะได รู้จักวิธีการและวิธีการเรื่องราวเป็นยังไงพวกเราก็อยู่ป่าตรงพงไพรอยู่ห่างไกลวิธีการงานหลวงงานรับเสด็จเนี่ยเป็นยังไงเราก็ด้อยมากอยู่ห่างไกลพราอว่างงานนี้เป็นงานเสด็จเป็นทางการของพระ อ, องค์สมมาเป็นองค์ประธานงานเจดีย์งานทอดกรถิน่น วัดของเราวันที่แปดนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองที่จะถึงนะวันนี้วันที่ยี่สิบนะลูกหลานกนัตถา ญ, ญาดโยมวันที่ยี่สิบสองนะพวกเราจะประชุมหารือกันในระดับท้องถิน่นระดับหัวหน้าพวกเราจะได้รู้ว่าการวางแผนในท้องถิ่นของเราเนี่ยโรงทานเราจะตั้งที่ไหนห้องน้ําห้องซ่วมเพียงพอหรือเปล่าไฟฟ้าล่ะสถานที่จอดรถละ่ะ อันนี้พวกเราก็จะต้องช่วยกันคิดอีกในท้องถิ่นของพวกเราเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะเปิดตรงไหนให้กับชุมชนสังคมเข้ามาพักผ่าอาศัยในวันนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดเหมือนกันแล้วก็วันที่ยี่สิบหกทางราชเชลขาแลว้วก็ทางจังหวัดก็คงจะเข้ามามากลุ่มใหญ่เลยนะมา วางแผนงานวางผังงานพวกเราจะได้ร่วมประชุมกันอีกวันนั้นวันนั้นอีกวันหนึง่งพวกเราก็จะได้เอาเรื่องราวทั้งที่เราประชุมหารือกันสองวันคือวันที่สิบแปดกับวันที่ยี่สิบสองเนี่ยเข้าไปหารือกันวันที่ยี่สิบคิดว่าทุกอย่างก็คงจะลงเอ่ยแล้วว่าคงจะเรียบร้อยตามตามแนวความคิดนะ แต่ว่าถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ญาติในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะจะเป็นพลังจะทำให้งานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นใช้จติติใช้ปัญญาใช้พลังความพร้อมเพียงสามัคคีแล้วก็ช่วยกันหาวิธีการหาทางออกด้วยกันแต่การทะเลาะวิวาทกัน อย่าได้มีในช่วงนี้พอดเป็นช่วงที่ช่วงที่ขับขันอย่างที่ว่าและวนะช่วงที่เข้าขับขันเนี่ยไปทะเลาะกันในช่วงนี้ไม่ได้ถึงใครจะโกรธจะโมโหโโธาให้กับผู้ใดก็ตามต้องเอาไว้ในใจก่อนเอผ่านงานไปซะก่อนจะค่อยว่ากันฮะเออแต่ช่วงนี้อย่านะอย่าให้มีฮเพราะนั้นนะขอบอกกล่าวกับพวกเราทุกๆุกท่านนะเออ ทั่งานของพวกเราจะต้องช่วยกันรับช่วยกันรับงานช่วยกันคิดช่วยกันดูแลงานให้ดีที่สุดและก็พร้อมกันก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าลืมถึงจะทํางานอะไรก็ตามพวกเราจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกในช่วงนี้เรามีงานมากพญามัรจุราชก็คงจะไม่ตามเราแก่ ความแก่ความเจ็บความตายคงจะไม่ตามเราหรอกเพราะเรากำลังจุ่งกับงานอยู่นะเขาไม่ได้ว่านะเขาหรือถือดาบจ้องตามหลังเราเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะทำงานอันไหนก็ตามเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไปด้วยแต่ว่าการที่ทำอย่างนั้นก็คือสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนั้นเราพวกเราอย่าชลาดใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพอทำไปด้วยประมาท เ, เกิดโมโอารมโมโกทาไปด้วยเหมือนกับชีวิตตัวเองจะอยู่นานเท่านานไม่ใช่นะ เ, เพราะนั้นการที่จะดำเนินงานอย่างไรเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในตัวของพวกเราประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศล ที่การทำอย่างนี้กเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะลูกหลานการักทายญาติโยมนะแต่ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จะให้เป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆก็คือเรื่องจิตภาวนาอันนั้นอันนั้นเราก็รู้นะแต่เราก็ต้องเอาทั้งหลายๆอย่างเพราะเราอยู่ด้วยกันร่วมกันถ้าเราจะออกจะภาวนาอย่างเดียวเราก็คงจะไปอยู่ในป่าโรงพงไผ่ เ, เป็นเอกเทศเราไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะ แต่เมื่อเรามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอย่างนี้เราก็จะต้องทำการทำงานรวมกลุ่มแล้วกเ็เมื่อปลี่จากการรวมกลุ่มเราก็ไปลาพังปีไปอยู่ตามลาพังคนเดียวแล้วก็ภาวนาเออ เ, เล่งภาวนาบังคับเอาจิตให้อยู่กับสติสติอยู่กับจิต อ, อย่าให้มีความเผลออันนั้นนะคือทางที่ถูกต้องนะ เมื่อทำงานเราก็ยืดหุ่นในการทํางานเมื่อหยุดในการทํางานเราก็เป็นส่วนตัวเป็นการบำเพ็ญ น, นี่แปลว่าเ ป, เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประนอมขอให้พวกเราทุกท่านนะทั้งสองอย่างเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเลยพูดว่าถึงเราจะทําการงานอย่างไรก็ตามถึงจะหนักหนาอย่างไรก็ตามแก่เจ็บตายไม่ได้ละเว้นจากพวกเราเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลา น, นพวกเราท่านทั้งหลายทําอยู่ณสถานที่ใดเวลาใดอย่างไรเขาขอให้พวกเราภาวนาอภาวนาคํานี้แหละเอะเป็นหลักของพุทธศาสนาจะทํำยังไงจึงจะหลีกลี้หนีออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันในที่สุดเนะี่ยอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดตามหลักของพุทธะนะ หลักตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรานะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะ น, นัทเนนะ